5. นวสังคหาวัตหมวดว่าด้วยสังคหะ9สังคหาเก้าอย่างห้าเอ็ดสังคหะมี9อย่างคือ 1. วัตถุสังคหาสอวิบัติสังคหะ 3. อาบัติสังคหะ 4. นิทานสังคหะ5 บุคคลสังคหะ 6. ขันธสังคหะเ็ดสมุดฐานสังคหะ 8. อธิกรณะสังคหะ 9. สมถสังคหะให้บอกเรื่องเมื่ออธิกรณ์เกิดขึ้นแล้วถ้าคู่ความทั้งสองมาถึงสงพึงให้ทั้งสองบอกเรื่อง ครั้นให้ทั้งสองบอกเรื่องแล้วพึงฟังปฏิญญาของทั้งสองครั้นฟังปฏิญญาของทั้งสองแล้วพึงพูดกับคู่ความทั้งสองว่าเมื่อพวกเราระงับอธิกรณ์นี้แล้วท่านทั้งสองจักยินดีหรือถ้าทั้งสองรับว่าข้าพเจ้าทั้งสองจักยินดีสงพึงรับอธิกรณ์นั้นไว้ ถ้าบริษัทมีอัลัชีมากสงพึงระงับด้วยอุปาหิกาถ้าบริษัทมีคนเลวมากสงพึงแสวงหาพระวินัยทอนอธิกรณ์นั้นจะระงับโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตวศาสตร์ใดสงพึ่งระงับอธิกรณ์นั้นโดยอย่างนั้นพึงรู้วัตถุเป็นต้นพึงรู้วัตถุ พึงรู้โคดพึงรู้ชื่อพึงรู้อาบัตคำว่าเมถุนธรรมเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคดคำว่าปาราชิกเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัตคำว่าอธินนาทานเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคดคำว่าปาราชิกเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัตคำว่ามนุษย์วิขหะเป็นทั้งวัตถุ เป็นทั้งโคดคำว่าปาราชิกเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัติคำว่าอุตริมนุสธรรมเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโ hey. คต well, คำว่าปาราชิกเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัติคำว่าสุกะวิสัตธิเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคดคำว่าสังฆาทิเศษเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัติ คำว่ากายสังขระเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคดคำว่าสังคารทิเศษเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัตคำว่าทุตุลวาจาเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคดคำว่าสังคารทิเศษเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัตคำว่าอัตตะกามเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคดคำว่าสังคารทิเศษ เป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัตคำว่าสันจริตตะเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคด hey. คำว่าสังคาทิเศษเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัต ค, คำว่าให้สร้างกูดีด้วยการขอเอาเองเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโครคำว่าสังคาทิเศษเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัตคำว่าให้สร้างวิหารใหญ่ เป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคษคําว่าสังขาทิเศษเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัติคําว่าตามกาจัดภิกษุด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันไม่มีมูลเป็นทั้งวัตถุเป็นทัน้งโคษคําว่าสังขาทิเศษเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัติคําว่าอ้างเลศบางอย่างแห่งอธิกรเรื่องอื่นแล้ว ตามกำจัดภิกษุด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิกเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโทษคำว่าสังฆาทิเศษเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัตคำว่าภิกษุผู้ทำลายสงไม่ยอมสะละกรรมเพราะการสวดสมนุภาพครบสามครั้งเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโทษคำว่าสังฆาทิเศษเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัต คำว่าภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทําลายสงฆ์ไม่ยอมสะละกรรมเพราะการสวดสมนุภาพครบสามครั้งเป็นทั้งวัตถุเป็นทัง้ทงโคตคำว่าสังฆาธิเศษเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัติคำว่าภิกษุผู้ว่ายากไม่ยอมสะละกรรมเพราะการสวดสมนุภาพครบสามครั้งเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคด คำว่าสังขาริเศตเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัติคำว่าภิกษุผู้ประทุษร้ายสกุลไม่ยอมสละกรรมเพราะการสวดสมนุภาพครบสามครั้งเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคดคำว่าสังขารทิเศตเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัติละคำว่าอาศัยความไม่สนใจท่ายอุจจาระปัสสาวะ หรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคดคำว่าทุกกฎเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัตินวสังคหาวรคที่หจบหัวข้อประจำวรคอปโลกนกกรรมยัตติกกรรมยัตติทุติยกรรมยัตติจตุถกรรมวัตถุยัตติอนุสาวนา สีมาบริษัทพร้อมเพียงสอบถามปฏิญญาควรสติวินัยวัตถุสงฆ์บุคคลสวดประกาศสวดในการไม่ควรสีมาเล็กเกินสีมาใหญ่เกินสีมามีนิมิตขาดสีมาใช้เงาเป็นนิมิตสีมาไม่มีนิมิต อยู่นอกสีมาสมมุติสีมาสมมุติสีมาในแม่น้ําในทะเลในสระเกิดเองคาบเกี่ยวสีมาทับสีมาด้วยสีมากรรมที่สงจะตุวักพึงธรรมกรรมที่สงปัญจวัคพึงธรรมกรรมที่สงทศวักพึงธรรมกรรมที่สงวีสติวักพึงธทรรมไม่นําฉันทะมา นําฉันทะมาผู้เข้ากรรมผู้ควรฉันทะผู้ควรแก่กรรมอัปโลกนกรรมห้าฐานะยัตติกรรมเก้าฐานะยัติทุติยกรรมเจดฐานะยะตัติจตุถกรรมเจดฐานะยอมรับว่าดีความผาสุกบุคคลผู้หน้าด้านภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก อาสวะเวนโทษภัยอกุศลธรรมคฤหัตผู้ปราถนาเลวสามชุมชนผู้ยังไม่เลื่อมใสชุมชนผู้เลื่อมใสแล้วความตั้งอยู่แห่งพระสัตธรรมเอื้อเฟื้อพระวินัยปาติโมกขุดเทศงดปาติโมกงดปวารณาตัชนียกรรม นิยสกรรมปปภาชนิยกรรมปฏิสารณิยกรรมอกเขปนิยกรรมปริวาทอาบัตดเดิมมานัตอับพานโอสารนานิสารนาอุปสมบทอปโลกณกรรมยติกรรมยัติทุติยกรรมยัติ จะตุทธกรรมยังมิได้ทรงบัญญัติทรงบัญญัติซ้ำสำมุขาวินาันสติวินันอมูรหะวินันปติญญาตะการณะเยพุยสิกาตัดสปาปิยสิกาตินวัถฐากะวัตถุวิบัติอาบัตินิทานบุคคล ขันสมุทฐานอธิกรสมถะสังขหะชื่ออาบัต ด, ดังนี้แลคำพีปริวานจบ ปริโยสานคาถาก็พระวินัยทรผู้เรืองนามมีปัญญามากทรงสุตะมีวิจารณญาณถามแนวทางของท่านบุรพาจารย์ในที่นั้นนั้นคิดแล้วให้เขียนข้อพิสดารและสังเขมนี้ไว้ในสายกลางตามแนวทางที่ว่างไว้ซึ่งจะนำความสะดวกมาให้แก่เหล่าศิษย์ คำภีนี้เรียกว่าปริวานมีทุกเรื่องพร้อมทั้งลักษณะมีอัฏฐโดยอัฏฐในสัจ ธ, ธรรมมีธรรมโดยธรรมในบัญญัติห้อมล้อมพระาศาสนาดุจสาครล้อมรอบชมพูทวีปฉะนั้นพระวินัยทรเมื่อไม่รู้คำภีปริวานฉะไหน จะวินิจฉัยทำได้ความเคลือบแคลงของพระวินัยทรที่เกิดในวิบัติวัตถุยัติอนุบัญญัติบุคคลเอกโตบัญญัติอุพโตบัญญัติโลกวัชชะและปัญติวัชชะย่อมขาดสิ้นไปด้วยคำพีปริวารพระเจ้าจากักรพรรดิสง่างามในกองทัพฉันใด ไกรสอนสง่างามในท่ามกลางฝูงมฤุขะฉันใดพระอาทิตย์แผ่ซ่านด้วยรัศมีเจิดจ้าฉันใดพระจันทร์ท่องสว่างงดงามในหมู่ดาวฉันใดพระพรหมสง่างามในหมู่พรหมฉันใดท่านผู้นำสง่างามในท่ามกลางหมู่ชนฉันใดพระศัตรธรรมและพระวินยัย ย่อมสง่างามด้วยคำพีปริวารฉันนั้นแหลจบบริบูรณ์